ความในกความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วได้พูดถึงบารมีมาหลายข้อโดยเฉพาะเนคขมมะบารมีเป็นหลักก็คือได้กล่าวเรื่องราวที่มีเรื่องประกอบนะ้อความที่เป็นความประพฤติของพระโพธิส sind, ัตว์ที่พระองค์ประพฤติเพื่อบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 เราไม่ได้ทำตามคำของจระเข้ที่กล่าวหลอกลวงนั้นหาไม่ไดนนะ้ก็คือกล่าวนี้กล่าวตามเป็นจริงไม่ได้กล่าวตามความประสงค์ของผู้หลอกลวงผู้เสมอด้วยคาสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเราในชาดกหรือในจริยานี้เน้นสัจจะบารมีซึ่ง ต, ต่อไปก็เน้นสัจจะบารมีเป็นหลักถามว่าสัจจะบารมีนั้น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 ให้เห็นสัจจะบารมีเนี่ยนะพูดถึงกปิลราชจรรยานี่นะกล่าราชาแห่งหมูลิงกปิละกปินก็คือลิงกล่าวราชาแห่งหมูลิงขนาดพระโพธิสัตว์ของเรานะกลับนี้พระองค์ก็ยังเกิดเป็นลิงเลยเนี่ยนะก็ทำให้คิดเหมือนกันนะเออของเราล่ะ้าให้เห็นอริยสั์เราจะพ้นหรือกิริยาหลายเรื่องมันประกาศว่ายังมีเชื้ออยู่เหมือนน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 ถ้ามีลิงให้ปกครองลิงสักยี่อะไรนะสักฝูงใหญ่ๆเนี่ยนะอะไรจะเกิดขึ้นหัวหน้านี้เลยองั้นก็ณท่ามกลางแม่น้ํานั้นน่ะมีอยู่มีเกาะอยู่เกาะหนึ่งเป็นเกาะที่สมบูรณ์ด้วยผลไม้มีผลขอนุนผลมะม่วงเป็นต้นหลายๆอย่างนะปกติแม่น้ําถ้าเป็นแม่น้ําสายใหญ่ๆนี่จะมีเกาะกลางน้ํานี้ถือเป็นเรื่องธรรมดาเนี่ยนะถือเป็นเรื่องธรรมดา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 พระยาวานอนนั้นเคี่ยวกินพลาผลไล้ล้ายอย่างอยู่ณเกาะนั้นตอนเย็นก็กลับโดยวิธีนั้นอยู่นั่นเองอยู่ในที่อยู่ของตนรุ่งขึ้นก็ทำอย่างนั้นอีกสำเร็จการอยู่โดยทานองนี้นะก็มีต้นไม้เป็นที่พานักะนะจะต้องข้ามฝากทุกวันเพื่อไปเก็บกินผลไม้ในกาลครั้งนั้นมีจระเข้ตัวหนึ่งแล้วก็พร้อมด้วยนางจระเข้อาศัยอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้านั้น นางจรเข้เมียของจรเข้นั้นเห็นพระโพธิสัตว์ไปไปมามาอยู่ก็เกิดแพ้ท้องจริงอนะแพท้องจริงๆนะสู้ท้องไม่ไหวหิวมากนะก็เลยอยากกินเนื้อหัวใจของพระโพธิสัตว์ก็บอกกับจระเข้ผู้เป็นผัวว่านายจา๋าฉันแพ้ท้องอยากจะกินเนื้อหัวใจลิงนั้นจรเข้ก็กล่าวว่าได้สิแล้วก็ไปด้วยหวังว่าเราจะจับพญาลิงนั้นซึ่งกลับจากเกาะในตอนเย็นจึงอยู่บนหลังแผ่นหิน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 แต่ทําไมแผ่นหินแผ่นนี้จึงปรากฏใหญ่มากนะทั้งใหญ่ทั้งเด่นสูงขึ้นคงจะเป็นพระเจ้าจระเข้นอนหม้จะจับเราณนะที่นั้นเป็นแน่พยาวนนอนก็เลยคิดว่าจะทดลองจระเข้นั้นก่อนเพราะมันยืนอยู่ไกลลิบนะมองสังเกตได้ไม่ชัดแต่รู้ว่าปกผิดปกติจึงยืนอยู่อย่างนั้นทําเป็นพูดกับแผ่นหินก็เลยพูดว่าเฮ้ยเจ้าหินก็ไม่ได้รับคําตอบว่าเฮ้ยเจ้าหิน หินก็ไม่พูดไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมแกล้งถามไปเฮ้ยหินอย่างนั้นนะพระโพธิสัตว์ก็บอกเฮ้ยเจ้าหินทําไมวันนี้ไม่ให้คําตอบแก่เราเอ๊ะ e, ทำไมวันนี้ไม่พูดกับเราเลยนะหินจระเข้ก็เลยคิดว่าวันอื่นๆนี่หินคงจะให้คําตอบแก่พยาวานนเป็นแน่แต่ว่าวันนี้หินไม่ให้คําตอบเพราะเราครอบเอาไว้หินเลยไม่กล้าอ้าปากพูดเหมือนกันเอาเถอะเราจะให้คําตอบแก่พยาวานน์ก็เลยบอกว่าว่าอย่างไรพยาวานน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 จระเข้มันเป็นสัตว์ดุร้ายแสดงความน่ากลัวอยู่ณโอกาสนั้นนะถือว่าจระเข้เป็นตัวที่ดุร้ายเป็นฆาตกรเป็นศัตรูแสดงความหยาบคายร้ายกาศเห็นแล้วก็น่ากลัวมันอยู่บนหลังแผ่นหินนั่นแหละครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเราไม่มีทางอื่นจะไปวันนี้เราจะลวงจระเขนะ้จะไปได้ก็ใช้เทคนิคนินดหน่อยเหมือนกัน เราจะเปลืองจอระเข้จากบาปใหญ่ด้วยอาการอย่างนี้และเราก็จะได้ชีวิตช่วยให้จระเข้ไม่ต้องทาบาปและเราเองก็จะรักษาชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็เลยกล่าวกับจระเข้ว่าจระเข้สหายเรานี่จะกระโดดไปบนตัวท่านะนะบอกความจริงเลยจระเข้ก็บอกว่าพยาวานอนท่านอย่ามัวชักชา้าเชิญมาข้างนี้ซิรีบโดดมาเลยอย่างนันพระโพธิสัตว์ก็บอกว่าเรากำลังมา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 พระโพธิสัตว์รู้ว่านี่เป็นความจริงของจระเข้นั้นอ่ะก็เลยกระโดดจากเกาะไปเหยียบบนหัวจระเข้แล้วก็กระโดดจากนั้นไปยืนอยู่บนฝั่งโน้นดุดสายฟ้าแลบพลับเหมือนกันเรียบร้อยที่ที่จระเข้บอกว่าจระเข้กล่าวว่าจงมาแม้เราก็กล่าวกับจระเข้นั้นว่าเราจะมาเราโดดลงเหยียบหัวจระเข้นั้นแล้วก็โดดไปยืนอยู่ที่ฝั่งโน้นอันหนึ่งเกาะนั้นน่ารื่นรมประดับด้วยแนวต้นไม้มีผลมะม่วงว่า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 เพราะรักษาคำสัตย์นี้เราได้สละชีวิตของตนแล้วทําเพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสว่าผู้เสมอด้วยคําสัตย์ของเราไม่มีนี้เป็นสัจจะบารมีของเร า, เานะรู้นะว่าถ้ากระโดดพลาดก็ตายอย่างเดียวแต่รักษาคําสัตย์เนี่ยนะรักษาคําสัตย์เชื่อมั่นในความสามารถของตนจรเข้เห็นความอาศัศจรรย์ดังนั้นก็คิดว่าพยาวาน น, นี้ทาําอัศจรรย์ยิ่งนักจึงกล่าวว่า พระยาวานนผู้เจริญบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสอย่างในโลกนี้ย่อมครอบงำศัตรูได้ธรรมะทั้งสี่ประการนี้มีอยู่ในตัวท่านท่านพระยาวานนธรรมะสี่อย่างเหล่านี้คือสัจจะธรรมะทิติจากขะมีอยู่แก่ผู้ใดเหมือนอย่างท่านผู้นั้นย่อมล่วงพ้นศัตรูได้คนที่จะพ้นจากศัตรูได้เนี่ยต้องมีคุณธรรมสประการอยู่ในตัว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 3. ทิติได้แก่ความเพียรที่ไม่ขาดทิตินี่โดยศัพ์แปลว่าตั้งมั่นหรือมั่นคงไอ้มั่นคงหรือตั้งมั่นอันนี้หมายถึงความเพียรนะสาจาคะการบริจาคคือการกล้า ส, สละได้ความเสียสละนั่นแหละทวนอีกมากนึงนะต้องเป็นคนที่มีคำสัตย์คำจริงคนที่ดำรงอยู่ในคำสัตย์คำจริงจะต้องมี วิจารณญาณผู้ที่มีคําศัพท์คําจริงมีวิจารณญาณจะต้องมีความเพียรที่ไม่ขาดสายแล้วกล้าเสียสละเนี่ยนะอะไรพอสละได้ก็ต้องสละไม่ใช่ว่ารักษาไปทุกเรื่องไปหมดไม่ใช่สละได้ก็ต้องสละนั้นเรียกว่าจาระถ้ามีคุณธรรมสี่ประการนี้บุคคลนั้นก้าวล่วงหรือครอบงำศัตรูของตนเหมือนท่านพ้นจากตัวเราในวันนี้ลิงนี่ก็ไม่ง้อเออขออภัยจระเข้นี่ไม่ง้อนะ จระเข้นี่ถ้าจะกล่าวไปแล้วก็ฉลาดมากนะรู้ว่ารู้คุณธรรมรู้ความสามารถของลิงว่าลิงเนี่ยรอตายเพราะอะไรเพราะมีสัจจะมีธรรมะมีทีติและจากขามีสัจจะคือพูดจริงมีธรรมะคือมีวิจารณญาณมีทีติคือความเพียรที่บากบันและมั่นคงจากขาคือบริจาคคือการสละตนเนี่ยนะเสียสละออกไปได้ น, นะจระเข้ก็สรรเสริญพระโพธิสัตว์แล้วก็ ไม่รู้ว่าไปกล่าวบอกพรยาว่ายัางไงนะหาหัวใจให้ไม่ได้ก็ต้องอดไปก็แล้วกันครั้งนั้นจระเข้คือพระเทวทัตจระเข้ตัวเมียก็คือนางจินจะมานะวิกาพญาวานอนคือโลกกนาดเนี่ ย, ยคุณธรรมของกปิล ร, ราชพญาลิงมีอะไรบ้างการรู้ว่าจระเข้นอนบนแผ่นหินด้วยสังเกตปริมาณของน้ำและของหิน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 อันนี้ก็ช่วยเหลือจอระเขให้ไม่ต้องทําบาปขณะเดียวกันก็รักษาชีวิตของตนสามารถที่จะรักษาคําสัตว์หรือสัจจวาจาต่อไปได้อันนี้ก็เป็นเน้นสัจจะบารมีเน้นสัจจะบารมีคือวจีสัจจะแต่ขณะเดียวกันท่านยังมีปัญญามีความเพียรและก็สุดท้ายคือมีจากคะด้วย